นี่ก็มาดูทำปริญญาในสัญญาชื่อว่าสัญญาเพราะอัตว่าจําอารมณ์มจาในสีขาวสีเขียวเป็นต้นนะนะสัญญานะีสังเกตได้ง่ายๆจากการเจริญกระสินถ้าถ้าแยกกระสินนะพวกที่เจริญกระสินนี่อาศัยสัญญาเป็นหลักเช่นสัญญาในสีขาวสีเขียวสีเหลืองสีแดงเนี่ยนะเนี่ยอาศัยสัญญาเป็นหลักนี่หรือในปฐวีกสินเป็นต้นนี้สัญญาเหล่านี้ที่เจริญเนี่ยเป็นได้ทั้งอุปจาระและอัปปนา เบื้องต้นกําหนดสีขาวอย่างเดียวนี้ก็สา ม, มารถจะเข้าฌานได้กําหนดสีเข hier, ียวสีเหลืองสีแดงเนี่ยนะอาศ th ัยสัญญาเป็นหลักเข้าฌานได้สัญญานั้นมีความจําได้เป็นลักษณะมีความรู้ยิ่งเฉพาะเป็นรสก็สัญญาที่เป็นไปในภูมิสี่ชื่อว่ามีความจําได้เป็นลักษณะสัญญาทั้งหมดมีความจําได้เป็นลักษณะทั้งนั้นก็สัญญาใดย่อมจําได้ด้วยความรู้ยิ่งในที่นี้สัญญานั้นชืญญนน่อว่ามีความรู้ยิ่งเฉพาะเป็นรสรสเนะนะนะ เพื่อทราบความเป็นไปของสัญญาที่มีความรู้ยิ่งเฉพาะเป็นระสะนั้นในเวลาที่ช่างไม้ทําเครื่องหมายไว้ที่ไม้จำไม้นั้นได้ด้วยเครื่องหมายนั้นอีกและในเวลาที่กำหนดเครื่องหมายมีไยเป็นต้นของบุรุษจำบุรุษนั้นได้ว่าผู้นี้คือคนชื่อโน้นด้วยเครื่องหมายนั้นอีกในเวลาที่เจ้าหน้าที่พันดาคาริกดูแลเครื่องประดับของพระราชาผูกหนังสือชื่อที่เครื่องประดับนั้นๆ เมื่อมีรับสั่งว่าจงนําเครื่องประดับชื่อโน้นมาก็จุดประทีบเข้าไปในห้องที่แข็งแรงอ่านหนังสือแล้วนําเครื่องประดับนั้นๆนั่นแรมาได้นั้นสัญญาก็คือการทําเหมือนกับทําเครื่องหมายเอาไว้เนี่ยนะเหมือนกับทําเครื่องหมายเอาไว้ในอารมณ์นั้นเช่นถ้าเป็นพวกช่างไม้ก็จะมีการขีดเอาไว้เนี่ยนะมีการขีดเขียนหนังสือทั้งหลายนี่อาศัยสัญญาเป็นหลักในการขีดเขียนทั้งหลายหรือพวกช่างไม้เวลาเขาจะตัดตรงไหนเขาจะบากตรงไหนเขาจะขีดเอาไว้ก่อนเนี่ยนะ อันนี้นด้วยสัญญาเหมือนกับเครื่องหมายหรือถ้าเป็นดูหน้าคนก็สังเกตจากอะไรจากรูปร่างผิวพรรณพวกใยพวกหน้าตาเนี่ยนะวิธีจําหน้าตาหน้าตาเข้าหน้าเป็นรูปใข่หรือรูปอะไรอย่างเงี้ยนะผมเป็นยังไงเนี่ยก็จําแยกแย ะ, แยะวิเคราะห์ไปสีผิวเป็นยังไงเนี่ยนะหรือถ้าเป็นพวก เจ้าหน้าที่ทั้งหลายที่เก็บเครื่องประดับก็แยกแยะนะอันนี้เรีย ก, กว่าแก้วนี้เรียกว่าแหวนนี้เรียกว่าพลอยนี้เรียกว่าไพลินก็มาแยกแยะวิเคราะห์นะเขียนจดใส่ชื่อเอาไว้นั่นเองอะนะสมัยนี้ถ้าเข้าห้างสรรพสินค้าก็เรียกอะไรดูจากราคาใช่ไหมนี่ราคาเท่าไร่อันนั้นเท่าไหรเนี่ยเพื่อให้ให้หมายรู้ น, นะเพราะสมัยนี้ก็ไม่ต้องจดว่าอันนี้เรียกว่าอะไรนี่ไม่ต้องแล้วใช่ไหมเพราะโดยทั่วสินค้าทั่วไปก็จะรู้กันอยู่แล้วแต่จดแต่ราคาแปะเนี่ยราคาเท่านี้เท่านี้นะเป็นสัญญาอย่างเดียว เออเรียกว่าจำอารมณ์เนี่ยนะจำหมายในอารมณ์สัญญามีความจำได้เป็นลักษณะด้วยสามารถรวบรวมทุกอย่างไว้ได้มีการทำนิมิตซึ่งเป็นปัจจัยแห่งความจำได้อีกเป็นรักษณะเหมือนเหมือนกับจำนิมิตอ่ะนะดูไว้ก่อนแล้วก็เหมือนกับทำนิมิตไว้ดูจำข้างหลังอีกเไมไว้จำข้างหลังอ่าหนึ่งครั้งอ่าเนี่ยจำได้นะอัะนน เหมือนอย่า ง, งช่างถากเป็นต้นทำเครื่องหมายไว้ที่ไม้เป็นต้น น, นก็คิดมารู้ว่อันนี้เป็นอันนี้นะมีการกระทำความยึดมั่นเป็นปัจจุปฐานอาการปรากฏมันยึดอนะด้วยสามารถนิมิตตามที่ยึดถือเอาไว้เหมือนคนตาบอดดูช้างตาบอดคลำช้างอะไม่ได้ดูหรอกตาบอดคลาช้างอะนะถ้ามันสำคัญว่าไปจับช้างว่าที่ขามันโอ้เนี่ยช้างเหมือนเส า, านนะ ช้างนี่มันเหมือนเสาจริงๆอ่ะนะเพราะสัญญาจริงๆมันไม่ค่อยฉลาดหรอกตัวสัญญานะถ้าไม่มีปัญญาควบคุมดูแลกํากับนี่แย่เลยอ่ะสัญญานี่มีความตั้งอยู่ไม่นานเป็นอาการปรากฏก็มีนะมันตั้งอยู่ไม่ค่อยนานอ่ะนะลืมง่ายอันนั้นนะคือมันลืมง่ายในสายดีอ่ะนะสายไม่ดีไม่ค่อยลืมอ่ะเส้นกาสมาสัญญานี่ไม่ค่อยลืมอ่ะพยาบาทสัญญาก็ไม่ค่อยลืมใช่ไหมเห็นตั๊บโกรธเลยอ่ะ แต่ว่าเนคข ม, ม่าสัญญาเป็นต้นนะในสายดีๆเนี่ยแป๊บเดียวหายไปไหนหมดแล้วก็ไม่รู้เรียกว่าเพราะมีความเป็นไปไม่อย่างลงในอารมณ์เหมือนฟ้าแลบมีอารมณ์ตามที่เข้าไปตั้งมั่นแล้วเป็นเหตุใกล้เหมือนความจําว่าเป็นบุรุษของลูกเนื้อนล็กๆที่เกิดขึ้นในหมู่คนเลี้ยงอคนเลี้ยงญาติฉะนั้นคือพวกที่เขาจะรักษาญาตินะเขาก็จะเอาพวกหุ่นไล่กาหุ่นอะไรเพื่อไล่นกไล่กาเนี่ยพวกนั้นเห็นก็นึกว่าคนเขา อันสัญญาไม่ค่อยฉลาดแบบนั้นแหละนะขณะเดียวกันโดยทั่วๆไปสัญญาเนี่ยเป็นเหตุใกล้ของตันหานะเนี่ยนะเป็นสมุดฐานของกิเลสอ่ะนะเพราะสัญญานั่นแหละจึงเกิดตันหาเพราะสัญญานั่นแหละจึงเกิดโทสะทเรกว่กาการมาสัญญานะเพราะเพราะเราเราสมมติเราเป็นคนชอบสีขาวเหนนะเห็นขาวเมื่อไหร่ชอบเลยน่นนะเห็นเขียวเห็นเหลืองสมมติว่าชอบสีไหนก็เห็นแบบนั้นเมื่อไหร่ก็เอาละ สัญญาเนี่ยนะมันเป็นเหตุใกล้ของตันหาอย่างดีเลยก็สัญญาใดาสัมปยุตด้วยญาณในที่นี้สัญญานั้นย่อมเป็นไปตามญาณ น, นั่นแหละนะก็ถ้าถ้ามีปัญญาประกอบนะสัญญาเนี่ยปัญญาจะนำหน้าเองแต่ถ้าไม่มีปัญญาเกิดอร่วมด้วยเมื่อไหร่เอาละคันนี้เดี๋ยวนะเหมือนกับพวกเด็กนะปล่อยให้เด็กเดินทางเนี่ยนะมันก็ไปเรื่อยอะ แต่ถ้ามีผู้ใหญ่กํากับปรับการดูแลเป็นไปมันก็ดีครับสัญญาเนี่ยท่านเปรียบเหมือนกับเด็กๆทั้งหลายนี่ไม่รู้อิโ น, โนยในอะไรมันก็ไปได้เรื่อยอะ่ะทั้นปัญญาก็เหมือนกับผู้ใหญ่ที่กํากับดูแลควบคุมเด็กนั้นอีกครั้งหนึ่งเพราะฉะนั้นถ้าปัญญาเกิดร่วมด้วยนะเป็นไปตามปัญญาแต่ถ้าไม่มีปัญญาล่ะอันนี้เอาแล้วกันนี้เหมือนตาบอดคลาช้างอะไรกันนี่ได้อะไรก็ว่าไปเรื่อยนั่นแหละ ทำที่เหลือในปัตถภีที่เป็นไปด้วยกัสสัมภาระเป็นต้นพึงทราบว่าเหมือนปัตถภีเนี่ยนะเหมือนแผ่นดินเนี่ยนะสัญญาที่สัมพยุดด้วยกามชื่อว่ากามสัญญาสัญญาที่ปฏิสังยุดด้วยพยาบาทชื่อว่าปยพยาปาทสัญญาสัญญาที่สัมพยุดด้วยวิหิงสาชื่อว่าวิหิงสาสัญญานะคือสัญญาถ้าเกิดร่วมกับโลภะนะก็ชื่อว่ากามสัญญาถ้าเกิดร่วมกับโทสะก็ชื่อว่าพยาบาทกับวิหิงสา บรรดาสัญญาเหล่านั้นสัญญาสองย่อมเกิดขึ้นทั้งในสัตว์และในสังขารทั้งหลายคือการมสัญญาเนี่ย่อมเกิดแก่ผู้ตรึกถึงสัตว์หรือสังขารทั้งหลายที่เป็นที่รักเป็นที่ชอบใจนะเช่นนึกถึงคนที่เราชอบใจนะนึกถึงสัตว์ที่เราชอบใจหรือไปนึกถึงเสื้อผ้าอาภรณ์เป็นต้นที่เราชอบใจเพราะนั้นมีทั้งสัตว์และสังขารเป็นอารมณ์ส่วนพยาบาทเกิดขึ้นตั้งแต่เวลาโกรธแลดูสัตว์หรือสังขาร ซึ่งไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่ชอบใจนะจนถึงพินาศกิร ว, า, วาไม่พอใจจนถึงคิดทําลายเนี่ยนะวิหิงสาสัญญาย่อมไม่เกิดขึ้นในสังขารทั้งหลายด้วยว่าสังขารที่ชื่อว่าให้ถึงทุกข์ไม่มีแต่เกิดขึ้นในสัตว์ทั้งหลายในเวลาคิดว่าสัตว์เหล่านี้จงฆ่ากันจงขาดศูนย์จงพินาศหรืออย่าได้มีวิหิงสาสัญ ญ, ญาณนะสังเกตได้จะคือเนี่ยแช่งชักหักกระดูกกันพวกนั้นแนหะวิหิงสาสัญ ญ, ญา แต่ถ้าปยาปาท่าสัญญาก็คือพวกโกรธเป็นต้นเนี่ยนะเน้นที่ตัวโกรธนีย่ยวิหิงสาสัญญาก็คือแบบไทยๆก็คือพยาบาทนั่นเองสัญญามันมีทั้งวิหิงสากับพยาวิหิงสาอันนี้พูดถึงอากุศลอย่างเดียวก่อนเนีย่ยนะจะพูดเฉพาะอากุศลก่อนเพราะพยาบาทสัญญาเนี่ยนะเน้นที่โทสะนะชอบอะไรเกลียดอะไรก็ช่างเถอะแต่ถ้าวิหิงสา ก, ก็คือลักษณะพวกแช่งชักหักกระดูกแม้มันแคร์มากพยาบาทมากนะพวกนั้นเป็นวิหิงสาสัญญา ส่วนสัญญาที่ปฏิสังยุตด้วยเนคขมะชื่อว่าเนคขมะสัญญาเนี่ยนะเนขมะสัญญานั้นเป็นกามาวจรในเบื้องต้นแห่งอสุภะเป็นรูปราวจรในขณะอสุภาชาญเป็นโลกุตระในการที่มักผลเกิดขึ้นเพราะอำนาจทำฌานนั้นให้เป็นบาทนั้นคำว่าเนคขมะสัญญาเนี่ยนะเป็นทั้งกามาวจรรูปราวจรและโลกุตระเนี่ยนะก็สูงมากะนะเพราะ พวกอสุภะกรรมฐานทั้งหลายแหล่นั่นแหละส่วนสัญญาที่ปฏิสังยุตด้วยความไม่พยาบาทชื่อว่าอัพยาปาธาสัญญาอัพยาปาธาสัญญานั้นเป็นกามาวจรในการเป็นส่วนเบื้องต้นแห่งเมตตาคือเมตตาเนี่ยที่เป็นเบื้องต้นนะนะทำเป็นรูปราวจรในขณะเมตตาชานคือขณะที่เข้าชานได้เป็นโลกุตระในเวลาที่มรรคผลเนี่ยเกิดขึ้นเพราะธทำชานนั้นให้เป็นบาทเนีนะนะเป็นบาท พั เ, เมตตาเนี่ยนะก็เป็นทั้งกามาวจรรูปาวจรและโลกุตระทัวน์ี้ครั้งว่าเนคขมะสัญญาเนี่ยเป็นพวกกลุ่มอสุภะเนี่ยนะทั้งที่เป็นกามาวจรรูปาวจรและก็เป็นสิ่งเหล่านั้นนะเป็นเหตุใกล้แห่งมรรคผลนิพพานที่บรรลุมรรคเนี่ยนะโลกุตระอพยาบาทก็เมตตาส่วนอวิเหงสาเนี่ยนะก็คือความไม่เบียดเบียนเนี่ยนะ หมายถึงกรุณาว่าอาวิหิงสาสัญญานั้นเป็นการมาวจรในการเป็นส่วนเบื้องต้นแห่งกรุณานั้นในขณะที่กรุณาเกิดเห็นใจใเขาสงสารเขาเนี่ยนะปรารถนาให้เขาพ้นทุกข์อันนี้เป็นกรุณาทีนี้ถ้าอบรมก็จะเป็นรูปาวจรในขณะที่เป็นฌานเป็นโลกุตระในการที่เป็นมรรคผลเกิดขึ้นเพราะธทำฌานนั้นให้เป็นบาต ท, ทีนี้ ในการใดอโลภะเป็นข้อสำคัญในการนั้นสัญญาทั้งสองเนี่ยเป็นไปตามอโลภะเนี่ยนะถ้าอโลภะมีกำลังเนี่ยจะออกมาในรูปแบบอสุภะถ้าอโทสะมีกำลังเนี่ยนะก็จะออกมาในรูปแบบของกรุณากับเมตตาเนี่ยนะังนั้ น, ะ น, นอาณาพิชชาอัยยาบาทอาวิหิงสาเนี่ยนะอาณาพิชชาตัวนั้นแหละคือเนคขมะเนี่ยนะอัพยาบาทสองคำนั้นนะเป็นทั้งกรุณากับเมตตา สัญญาที่เกิดขึ้นรูปารมณ์นะมีรูปเป็นอารมณ์ชื่อว่ารูปประสัญญาก็สัญญาอันนั้นก็เรียกชื่อไปตามอารมณ์เหมอนะเช่นมีสีเป็นอารมณ์ก็เรียกว่ารูปประสัญญามีเสียงเป็นอารมณ์เรียกว่าสัทธสัญญาแต่ีนสัญญาถ้าแบ่งไปอีกก็ถ้าสัญญาในปัญจทวารก็เรียกว่าปฏิฆาสัญญาสัญญาในมโนทวารก็เรียกว่าอธิวจนะสัญญาเนี่ยนะปฏิฆาคือโดยศัพา์แปลว่ากระทบนีนะ สัญญาที่เกิดจากการกระทบกันถ้าปฏิฆะในที่แปลว่าโกรธนั้นก็คือกระทบทางใจอะเป็นชื่อของโทสะแต่นี่หมายถึงกระทบทางปัญจทาาวารนเนี่ยมันสรุปโดยสัญญาที่เป็นไปในทวารหกเอ่อสัญญาเหล่านี้เนี่ยนะ เป็นธรรมะที่จะต้องเอามาทําปริญญาเนี่ยนะยาตะปริญญาคือรู้จักสัญญาเหล่านั้นโดยวัตถุและโดยอารมณ์พร้อมทั้งโดยทวารแล้วก็แบ่งแยกตามที่เป็นกุศลอกุศลวิบากและกิริยาเนี่ยนะอันเอามาทําปริญญาแม้กระทั่งว่าสัญญาเกิดจากอะไรสัญญาเนี่ยเป็นปัจจัยแก่อะไรอันสัญญาเนี่ยสำคัญมากคือเป็นปัจจัยแก่ตัณหาเป็นต้นเนี่ยนะันสัญญาเนี่ยสัญญาวิจิตเนี่ยทให้ตัณหามันวิจิต ตัญหาวิจิตเนี่ยทำให้ทํากรรมวิจิตแตกต่างกันไปเดนนะเพราะสัตว์ทั้งหลายที่ชอบอะไรแตกต่างกันเพราะสัญญาเนี่ยแตกต่างกันพอรับข้อมูลมาแตกต่างกันนั้นสัญญานี่จะออกมาในรูปแบบของข้อมูลน่ยนะข้อมูลที่รับมาในถ้าข้อมูลเหล่านั้นเกิดร่วมกับอากุศลก็เป็นอากุศลสัญญาถ้าข้อมูลเหล่านั้นที่มาจากกุศลเนี่ยนะเช่นการฟังเนี่ยนะสัตว์ถ้าสัญญาเนี่ยถ้าฟังเดรฉ า, านกระถาเอาไว้มากก็สะสมสายไม่ดีเอาไว้ ถ้าฟังกุศลหรือฟังธรรมไม่มาก น, นะก็สะสมอุปนิสัยแห่งธรรมเอาไว้ท่านอยู่ที่การเข้าไปรับกระทบอ น, นะท่านการฟังเนี่ยนะกับการเห็นเนี่ยถ้าเห็นพระอริยะกับการฟังธรรมของพระอริยะเนี่ยนี่เกื้อกูลต่อการพ้นทุกข์มากแต่ถ้าไปเห็นอย่างอื่นไปฟังอย่างอื่นเป็นต้นละ่ะก็นํามา ซ, ซึ่งความเสียหายไม่มีสิ้นมีสุดเนี่ยนะ ก็ในสูตรนี้พระองค์ตรัสเน้นให้ทําปริญญาสามในสัญญาถ้าที่กล่าวไปแล้วก็เน้นยาตะปริญญาไปก่อนเนี่ยนะก็คือวิเคราะห์แยกแย่พิจารณาใคร่ครวนสัญญาโดยประการต่างๆนี้ถ้าตีระปริญญาล่ะก็คือพิจารณาสัญญานั่นแหละว่าสัญญาเนี่ยไม่เที่ยงสัญญาเนี่ยเป็นทุกสัญญาเป็นรูปเป็นสัญญาเป็นดังฝี สัญญาเป็นนางลรกซ้อนสัญญาเป็นของลำบากสัญญาเป็นอาภาษสัญญาเป็นของเป็นอื่นสัญญาเนี่ยเป็นของชำรุดสัญญานี่เป็นเสนียดสัญญานี่เป็นอุบาทสัญญาเนี่ยเป็นภัยสัญญานี่เป็นอุปสรรคสัญญาเนี่ยเป็นของวันไหวสัญญาเนี่ยเป็นของแตกพัง สัญญาเนี่ยเป็นของไม่ยั่งยืนสัญญาเป็นของที่ไม่มีที่ต้านทานสัญญาเนี่ยเป็นของไม่มีที่ซ่อนเร้นสัญญาเนี่ยเป็นของไม่มีที่พึ่งสัญญาเนี่ยเป็นของว่างสัญญาเนี่ยเป็นของเปล่าสัญญาเป็นของศูนย์สัญญาเนี่ยเป็นอนาตาสัญญาเนี่ยเป็นโทษสัญญาเป็นของมีความแปรปลวนไปเป็นธรรมดาสัญญาเป็นของไม่มีแกนสารสัญญาเนี่ยเป็นมูลแห่งความลำบากสัญญาเนี่ยเป็นดังเพชฌฆาติ สัญญาเนี่ยเป็นของปราศจากความเจริญสัญญาเนี่ยเป็นของมีอาสวะสัญญาเนี่ยเป็นของอันปัจจัยปรุงแต่งสัญญาเนี่ยเป็นเหยื่อมันสัญญาเนี่ยเป็นของที่มีความเกิดความแก่ความตายเป็นธรรมดานะมีความเจ็บป่วยเป็นธรรมดาสัญญามีโสกะปริเทวะทุกขโทมนัตและอุปาญาตเป็นธรรมดาสัญญาเนี่ยเป็นของที่มีความเศร้ามองเป็นธรรมดานะสัญญาก็มีสมุทัยอะนะมีเหตุเกิดเพราะอวิชชาเกิดสัญญาจึงเกิดเพราะตัณหาเกิด สัญญาจึงเกิดเพราะกรรมเกิดสัญญาจึงเกิดเพราะภาษาเกิดสัญญาจึงเกิดเนี่ยนะถ้าความดับของสัญญาก็คือเพราะอวิชชาดับสัญญาก็ดับถ้าตัณหาดับสัญญาก็ดับถ้ากรรมดับสัญญาก็ดับถ้าภาษาดับสัญญาก็ดับแล้วก็ความแปรปลุกตาของสัญญาอันนั้นแล้วก็สัญญานี้ก็มีอาสาทะนะความสุขสมนัตอันใดอาศัยสัญญาอันนั้นเป็นอสาทะอาทีนวะก็คือโทษความที่สัญญาไม่เที่ยง เป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดานั้นเป็นอาทีนวะส่วนการกำจัดฉันทราคะาในสัญญานั้นเป็นนิสสนะสัญญาการที่เข้าไปพิจารณารอบรู้ใครครวนโดยรอบอย่างนี้เรียกว่าตีนันะปริญญาเนี่ยนะก็เรียกว่าเป็นผู้ที่รอบรู้สัญญาโดยประการทั้งปวงจริง